จะสังเกตได้ว่าในแง่ของระสัา ป, ปัิยุตยานคือความรู้ที่สูงสุดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสิ่งต้องปวงล้วนเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่อาศัยกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติในฐานะนั้นๆที่ทรงเรียกคำว่า น, นิยาม เช่นว่าพืชชนิยามคือเป็นชนิดของพืชเหล่านั้น พ, พันธุ์ของมนุษย์ชนิดของพืชพันธุ์ของคนของสัตว์แต่ของพืชทั้งหลายที่มีความเป็นไปในลักษณะต่างๆกันตามชนิดตามพืชพันธุ์ตรงนี้เกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขของพืชชนิยามคือประเภทชนิดของพืชของบุคคลเหล่านั้น แต่เราก็เห็นความจริงว่าซื่อชนิดเดียวกันแต่ปลูกไว้ในที่ต่างกันจะเริ่เติบโตเร็วช้าไม่เหมือนกันออกดอกออกขนเร็วช้าและจำนวนมากน้อยแตกต่างกันนั้นก็แสดงให้เห็นได้ว่ามันยังมีนิยามหลักอื่นที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบที่ทั้งใช้สมมติหนึ่งว่าเหตุปัจจัย กรเหตุนั้นคือตัวเนื้อหาหลักปัจจัยคือองค์ประกอบต่างๆเช่นสมมุติว่ามะนาวนั้นตัวเนื้อหาหลักมันก็เปรี้ยวในเรื่องของรสแต่จะเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากก็มีเงื่อนไขปัจจัยองค์ประกอบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดทั้งมีน้นานมากน้ํำน้อยผ ล, ผลเล็กผลใหญ่เป็นต้น แม้แต่ชนิดของเปลือกแสดงเจนว่าตรงนี้มันมีปัจจัยเข้าาประกอบที่แตกต่างกันโดยตัวเหตุคือความเปรี้ยวมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพของมะ น, นาวตรงนั้นชื่อเรียกอาจจะแตกต่างกันออกไปตามท้องถิน่นตามภาษาที่กําหนดเรียกกันแต่สภาวะที่เป็นความเปรี้ยวซึ่งมีอยู่ในน้ำมะ น, นาวก็คงมีอยู่อย่างนั้น อาจจะยิ่งไปบ้างอัตย่อนไปบ้างกวาสายปัจจัยประกอบต่างๆนังกล่าวและปัจจัยประกอบเหล่านั้นตัวการที่สำคัญที่สุดและมีอิทธิพลสูงสุดก็คือกรรมมนญาตได้แก่การประพฤติการกระทำของคนบางครั้งบางคราววิชาการในยุค ก, ก่อนจะมีการศึกษากันมาในการอธิบายกันมา มาพบกับความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยปัจจุบันเจนการผสมพืชมีการต่อตาพืชมีการผสมชนิดของพืชมีการเร่งผลการให้ผลของพืชตลอดซึ่งสามารถบังคับการให้ผลของพืชและมีความเจริญก้าวหน้าไปจนขนาดว่า ไม่ต้องปลูกบูนพื้นดินพืชก็อ ง, งอกเจริญเติบโตได้ออกดอกออกผลได้แล้วก็เวลาน้อยลงด้วยตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมวิยาการฉลาดการศึกษาการคิดคน้นการเปลี่ยนแปลงการประดิษฐ์ประดอยของคนแต่มันจะเปลี่ยนในเรื่องของปัจจัยประกอบจะไปเปลี่ยนเนื้อหาหลักไม่ได้ เป็นตัวอย่างดอกกุหลาบเราก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงผสมพันดอกกุหลาบกันมากมายกลายก่องเป็นวิทยาการอย่างหนึ่งที่มีความเจริญก้าวหน้ามากแต่ว่ากุหลาบแกก็คงเป็นกุหลาบคือเวลาทิ้งเนื้อหาหลับตรงนั้นไม่ได้เพราะไดยเพราะมันเป็นธรรมนิยามมันเป็นธรรมชาติเ ป, เป็นธรรมดาของสิ่ง น, นั้น ในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่เป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันจุดที่รพระพุทธเจ้าทรงเน้นก็คือส่วนเน้นที่ตัวกรร ม, มนิยามหมายความหมาคนปรับเปลี่ยนท่าทีต่อสิ่งเดล่านั้นสิ่งที่เป็นพืชสิ่งที่เป็นธรรมชาติ สิ่งที่ไม่เป็นอุตุอุตุนิยามเราก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้พืชนิยามอุตุนิยามธรรมนิยามแต่เราตัวตัวที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือกรรมนิยามหมายความมาท่าทีวิธีคิดวิธีมองวิธีตัดสินใจวิธีหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นว่าเราจะเอาอะไรเขาเองเขาคงเป็นอย่างที่เขาเป็น ยิ่งแต่ว่าเราจะหาประโยชน์อะไรจากเขาเท่านั้นเองนการศึกษาในแนวกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นการศึในในกาาษ า, ก า, าลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็คือลมหายใจเข้าออกใครๆมันก็หายใจสึ่งมีชีวิตทัต้งหลายก็ต้องมีการหายใจแต่ถ้าเราใช้เฉพาะการหายใจ พุทเจ้าทรงใช้ว่าจะส่สงใช้คำ ว, ว่าเป็นชีวิตที่มีอยู่สับว่าแต่ลหมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อความสารัะประโยชน์จากการมีชีวิตมันก็มีอยู่ไม่ได้แล่ท่าทีในการมองนั้นเราเห็นว่ามองรักษาพื้นฐานหลักเอาไว้ลหมหายใจเข้าออกนั้นเป็นตัวกายสังขารเป็นตัวปลนปลือกาย เ ป, เป็นตัวเป็นตัวอเลี้ยงรักษาร่างกายเอาไว้แม้จะมีส่วนอื่นบกพร่องไปบ้างแต่ถ้าลงหายใจยังอยู่ร่างกายก็คงดำรงอยู่แม้ส่วนอื่นจะยังสมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเลยแต่ไม่มีลมหายใจร่างกายก็แตกตักพลท่าทีในการมองในการหาประโยชน์ของพระพุทธเจ้าคือไม่ได้สอนเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง จะว่าสอนเป็นขั้นเป็นตอนที่คนสามารถหาประโยชน์ได้ในขั้นแรกก็คือมองจากตัวเราเองในฐานะเป็นเจ้าของชีวิตเราก็รักถนุถนอมชีวิตไม่ต้องการให้ใครประทุษรา้ า, รายทาอันตรายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้สึกที่สาธารณะทั่วไป ชีวิตแต่และชีวิตนั้นต้องการความรักในรับความรักต้องการความอบอุ่นความปลอดภัยต้องการที่พึ่งพํานักอาศัยต้องการพักผ่อนหย่อนใจต้องการสันทนาการด้านต่างๆด้วยความรู้สึกสากลเป็นธรรมนิยามคือกฎเกณฑ์เงื่อนไขาตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตมันคิดมาตั้งแต่คิดอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ปัญหาว่าพทำยังไงล่ะ จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองตรงนั้นได้การจะได้รับความรักได้รับความอบอุ่นได้รับความปลอดภัยนั้นความรักจะต้องได้รับจากคนอื่นความอบอุ่นต้องรับจากคนอื่นจึงเกิดความปลอดภัยซึ่งอาจจะเกิดจากคนอื่นและเกิดจากตัวเอง แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นมาลอยๆเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกรรมมนิยางคือการกระทาของเราเองแนวสินธรรมจัญญาจึงเป็นแนวของกิริยาปฏิกริยาหมายความว่าถ้าเราต้องการปฏิกริยาคือการตอบสนองในแนว ใ, ใดเราก็สร้างเหตุเพื่อเกิดปฏิกริยาเหล่านั้น นั่นก็คือกระบวนการของกรรมที่นํามาสวดสาทะยายกันเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นตนซึ่งทรงสอนอุ ป, ปมาเทียบเคียงเมื่อการที่เราต้องการผลของพืชผลของพืช น, นั้นเป็นปฏิกิริยาที่มาจากการจากต้นพืชต้นพืชก็เป็นกิริยาปฏิกิริยาทิตยอยต่อเนื่องกันมาเป็นกระแส กว่าถึงขั้นออกมาเป็นผลพืช ด, ด้นั้นก็ผ่านการเวลาผ่านเงื่อนไขปัจจัยมาในองค์ประกอบหลักเป็นชนิดของพืช ด, ด้วยพืชชนิดยาในความเจริญเติบโตออกดอกออ ก, ออกผลด้วยเงื่อนไขของกรรมนิยามหรือเงื่อนไขของอุตุนิยามแล้วก็เงื่อนไขของธรรมนิยามาก็ก็โยงเข้ามาอย่างนั้นเพราะว่า เราก็จะสร้างตัวกิริยาคือตัวเหตุที่จะเกิดปฏิกิริยาแล้วถ่ายทอยกันมาก็นั่นก็คือการปลูกพืชชนิดนั้นที่เราต้องการลงไปในกระบวนการข้อกรรมก็เป็นเช่นนั้นหมายความเราต้องการตอบผลตอบสนองในด้านใดเราก็สร้างเหตุเพื่อเกิดผลในด้านนั้น เาจะเห็นว่าเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความอบอุ่นต้องการความปลอดภัยต้องการที่พึ่งบนหน้ากอาศัยก็ว่าทยอยกันได้เป็นหน้านากระดาษแต่โดยรวมก็คือต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์เพราะเหล่านั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสุขความสุขเองก็เป็นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากภูุนทธรรม เราอาจจะพูดวันละความชั่วประพติความดีหรืออาจจะพูดเรื่องความดีก็แล้วแต่วิธีการของการสื่อสารนั้นเราจึงพบว่าบางทีพระเจ้าก็ทรงแสดงไว้หรือวข้อสั้นๆเร็วสีนสมาธิปัญญาด้วยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลในสมบูรณ์การทำจิตใของแพ้ว การไม่กระทําบาปนั้นก็คือการงดเว้นเหตุของความเสื่อมตั้งหลายนั้นคืออะไรคือการงดเว้นเหตุของความทุกข์เหตุของการถูกเกลียดชังเหตุของการขาดความอ บ, บอุ่นการขาดความปลอดภยัยกาดที่พึ่งพำนักอาศัยไม่มีโอกาสพักผ่อย่อนใจไม่มีโอกาสที่จะสนุกสนานทันานาการต่างๆก็ต้องหลบหลบซ่อนๆต้องหวาดกลัวต่อภยัยอันตรายต่างๆ อันเกิดขึ้นมาจากการทำบาปก็ต้องสอนง่า ย, ายๆวาทยาธรบาปเพราะทำบาปแล้วจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลบางครั้ก็ส่งสอนเน้นยำ้ำความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าพราะทำแล้วจะต้องเดือดร้อนใจความชั่วนั้นจะตามแผดเผาในภายหลัง แต่หลังเมื่อไรก็ทรงแสดงด้วยความตอรอเนื่องว่าบุคคลที่ทำบาปเอาไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นบาป ท, ที่ตนได้กระทำเอาไว้พันเราหยุดตรงเหตุตรงนี้ตรงอื่นเมื่อก็ล้ม เพราะสิ่งหลางเป็นกระบวนการของปัจจัยการปัจจัยการก็เหมือนกระแสของหูกใต้ฝุ่นพวกพายุต่างๆที่เราจะเห็นว่ามันก่อตัวขึ้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยมีคาวใต้ฝุ่นบางลูกก่อตัวขึ้นมาน่าจะเกิดภัยอันตรายปรากฏว่าไปเจอปัจจัยภายนอกครับเป็นตัวหนุนก็มี เกิดลมแรงขึ้นโดยจำดับเร็วขึ้นโดยจำดรบเกิดย้อนเกิดแปรสภาพอะไรก็นั่นคือแนวของสิ่งที่ท่านเรียกว่าปัิยังกายคือปฏิจจสมุปบาทกฎเกณฑ์ไม่เป็นอย่างงั้นในขณะที่สิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดนั้นมันก็มีสิ่งอื่นที่เกิดแทรกซ้อนขึ้นมาได้เราเห็นกันจุดไฟปั๊บดับปุ๊บ จุดปับดับปุ๊บหุดปับดับปุ๊บหุดแล้วจุดอีกดับแล้วดับอีกนั้นแสดงว่าปัจจัยที่มันปะทะกันปัใจจัยให้เกิดก็มีปัใจจัยให้ดับก็มีตัวไหนแรงกว่าตัวนั้นก็ทำหน้าที่ของตนมีประสิทธิภาพมากกว่าบางทีจุดไฟกันไม่ขีดหมดทั้งกลับไม่ติด ไม่สามารถติดที่ต่อเนื่องได้เพราะปัจจัยให้ดับมันมีมากกว่าปัจจัยให้ติดแต่บางทีลดจุดทีเดียวมันก็อยู่ได้นา น, น, นๆแล้วก็แสดงว่าปัจจัยให้ติดมันมีมากกว่าปัจจัยให้ดับในกระบวนการเหล่านี้เรามองไปในแง่วิชาการทางวิทยาศาสตร์พวกก็มีเง่อ่ไขปัจจัยต่างๆอีกเป็นจนวมากกระแสธรรมะมันก็เป็ออี่ยนกมันเดียงกันเพราะกระทงสั่งสอในใ น, ในรูปของการเสริมสร้างเหตุปัจจัย เราจะเอาในแนวไหนสมมุติว่าแนวของศีลสมาธิปัญญาทั้งสายชนทั้งหลายจะเห็นว่ามุ่งที่ให้เกิดสวัสดิภาพแก่ลมหายใจเข้าออกอย่างน้อยรักษาลมเอาไว้ก่อนคืออย่าให้ดับศีลข้อที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเพื่อไม่ไปดับลมเพราะงั้นคำว่าปลานะแปลว่าลมหายใจเข้าออกคือปลา น, นั่นเองทำอย่างไงอย่าไปทําลายสิ่งที่มีปลาน พอพระธาตุทำลายตัวปราณแล้วมันก็จบชีวิตมันกระดับหมายความมารคายจสังขารก็ดับเมื่อตัวสังขารคืตัวปนปลือกายมันดับอย่างอื่นที่ใหญ่โตเกี่ยวข้องมามันก็ดับหมดการงานบ้านเรือนทรัพย์สินเนนงินทองร่างกายเสื้อผ้าอพอมันดับไปหมดวันถ้ารักษาตรงนี้ไว้มันก็เกิดเป็นแถวเช่นเด่นกันในสายของศีลจึงไม่พูดถึงสายเกิดแต่พูดถึงสายดับ ก็ได้ยังไงดับความชั่วกันประดับตรงนี้มันเป็นดับอย่างอื่นพูดง่ายๆในง่ของสังคมกันพูดราเบนเจะเวรในวิรัตคือดับเวรดับภยัยเวรภัยเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ก็แสดงว่าดับทุกข์ด้วยดับทุกข์แล้วมันสร้างอะไรสร้างความรักความอบอุ่นความปลอดภยัย ท่นมีที่พึ่งพลำนักอาศัยการพักผ่อนหย่อนใจสามารถที่สนุกสนานสัตนาการกันได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงมีตัวขังวดอะไรก็ว่ากันได้ยาวเหยียดเช่นเดียวกันนั่นคือนิยามคือเงื่อนไขของธรรมาชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นเองสงช้คำว่าตา ต, ตาตาคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นมาเริ่มต้นตรงนี้มันก็เป็นอย่างนี้ทุกที พนกระแสธรรมะจึงมีทังลักษณะของกระแสธรรมแล้วก็มีตัวบุคคลที่เดินไปบนกระแสตรงนั้นมันมีแบบที่คนที่ประสบสำเร็จประสบความสำเร็จได้ฝ่าประสบความล้มเหลวมาแล้วให้เราดูเป็นตัวอย่างได้ตลอดแต่บนเส้นทางของกระแสธรรมามนามก็เจอแรงประทะคล้ายๆกับจุดไม่ขีดตะกีด มันมีแรงประท้ามากแรงประทัาเราก็บุ่มบั่มไปรวดเร็วไม่ได้คล้ายๆก็เดินไปล้วก็ลมแรงเราเดินเร็วไม่ได้ก็เดินไปช้าๆเดินได้มั่นคงแล้วกันคนศีลยังสงวางไปดูปองศีขาบทคือเป็นกั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นก้าเมือขั้นของบันไดเราขึ้นรวดเดียวไม่ได้ก็ขึ้นทีละก้าวแล้วกัน การกายมาแข็งแรงก็ขึ้นสักเก้าเกก็หยุดสักก่อนแล้วก็คือขนึนานๆก็ขึ้นไม่ได้หลายเก้าเองวันกามสิกขาบทแต่ละข้อก็คือเก้าของการศึกษาคือขั้นของการศึกษาให้รับรองประกันสวัสดิภาพของคนอื่นก่อนถ้าโราเงเนตงดเว้นการฆ่าก็คือป้องกันเราไม่ให้ถูกฆ่าไปด้วยในตัว เพราะเราไม่ได้สร้างเหตุให้ถูกค่าคนอื่นก็ไม่ถูกฆ่าเราก็ไม่ถูกค่าพราะเป็นอย่างนั้นท่านจะเห็นว่ า, ากระบวนการธรรมะที่มันเกิดขึ้นมาเองนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีอันตรายที่งี่เราว่าในตอนต้นมันก็ไหลามาเองเป็นกระแสของเขาดึงเงื่อนไขของอะไรดึงเงื่อนไขของธรรมะนิยาม เจ่ประทมนยามตรงนั้นมันมาจากอะไรมาจากกรรมมยามคือการกระทำของเรามันถูกต้องกับชนิดชนิดของกรรมก็คือแนวเดยวกับพือชนิดยาแนวเดือการปลูกต้นไม้ผลเหล่านั้นก็อำนวยประโยชน์สุขให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามทุกคนไก่ตามทุกคเ ก, ก่เคตที่เขาประกอบกระทำเอาไว้ นันเราจะเห็นว่าศีลจึงสอนไว้ทั้งแนวกว้างและก็แนวลึกพอแนวลึกนั้นมันมันม่นคงถ้าแนวกว้างเนี่ยเราจะรู้สึกกว่าเยอะแต่แนวดลที่จริงมันมั่นคงบางทีจึงสอนแนวลึกแล้วก็ไม่พูดถึงถึงเรื่องศีลด้วยเป็นยกเอาเมตตาเปียข้อเดียวขึ้นมาสอน โยสธาเพียงข้อเดียวขึ้นมาสอนโยเอาปัญญาข้อเดียวขึ้นมาสอนโยการพิจารณาข้อเดียวขึ้นมาสอนโยความเพียรข้อเดียวขึ้นมาสอนมายความเป็นการสอนแนวลึก เ, เหมือนกับต้นไม้เมือ่อการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆให้เข็มดีก็แล้วกันแล้วก็รับต้ำหนักอะไรได้อีกมากมายแก่กอง มันตอกเข็มเปลือย เ, เอาไว้เพื่อจะรองรับสิ่งต่างๆให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพราะแนวตรงกันข้ามกับศีลข้อที่หนึ่งจริงรกลายเป็นเมตตาที่จริงไม่ใช่ตรงกันข้ามมันเป็นก้ามันเป็นพัฒนาการทางจิตที่ก้าขึ้นไปโดยลำดับ เขาจะเห็นอาการของศีลอาการของธรรมะอาการของสมาธิอาการของปัญญาปรากฏเก่จิตตัวจริงแล้วมันเป็นเรื่องระดับสงบก็ได้ระดับปัญญาก็ได้เดว่าการงดเว้นจากการฆ่าการทำลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตสงบบาปเลยก็ได้ มันเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยทำตนเป็นอุปมาคือเทียบเคียงให้เห็นแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะยุติการเบียดเบียนการประทุษร้ายการทำลายสิ่งที่มีชีวิตจังไรเพราะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว ไอการพกพาสัตว์ราวุธเครื่องประหารทั้งๆก็ไม่รู้จะพกทําอะไรแล้วก็ทิ้งสตว์ราวุธเครื่องประหารเหล่านั้นไปเองเพราะันเวลาเขาประสบควเห็นก็คือสุภาพชนที่แต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยไม่พกพาสัตว์ราวุธเครื่องประหารอันแสดงถึงความเป็นผู้พร้อมจะเข็นฆ่าทํำลายล้างแล้วก็สร้างความบาดกลัวให้แก่คนทั้งหลา นั่นก็แสดงอาการข้างนอกมันก็เห็นความมีธรรมะคือความพร้อมที่จะงดเว้นหรือความเป็นผู้งดเว้นเพราะไม่มีเครื่องหมายของความเป็นผู้เตรียมพร้อมที่จะฆ่าแต่ก็ไม่แน่มันมีปากอาจจะใช้คนอื่นฆ่าก็ได้อาจจะรีตาอาจจะยักพยักหน้าอาจจะยักคิ้วอะไรก็ได้ มม่ยังใช้ได้อีกใช้คนอื่นนะครค่ะทำบุ้ยบายอะไรต่างๆาะจิตมันจะเดินไปจนถึงสํารวมที่ปากหมายความไม่ใช่สัญญาณอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดผลเป็นการฆ่าการทำลายหลางกันแสดงว่าใจมันก็สงบปากขึ้น ปัญญาก็พิจารณาเห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นสูงขึ้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่ยกย่องสนเสริญคล้ายๆกับไปให้กำลังใจสร้างแรงผลักดันให้คนเหล่านั้นทำความชั่วเพราะฉั้นคนทำาชั่วไม่ยกย่องคนฆ่าคนฆ่าอะไรก็ตามไม่ยกย่อง แต่จะยกย่องคนฆ่าความชั่วเท่านั้นฆ่าความชั่วที่ใจตัวเองไม่ใช่ฆ่าความชั่วที่คนอื่นถ้าฆ่าได้เะเพาะที่ใจตัวเองแต่ไปฆ่าความชั่วที่คนอื่นก็ไปฆ่าคนอีกแล้วยุ่งอีกแล้วเพวต้องกลับมาฆ่าที่ใจก็แสดงว่าหยุด การกระทําทางกายด้วยตัวเองหยุดการให้สัญญาณในลักษณะใดล้วษะหนึ่งเพกกื่อกรตุ้นให้เกิดการกระทําหรือสั่งให้เกิดการกระทำแต่เราตึงมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมีการฆ่าเห่นวามีผู้ค่าเราไปยกจ้องผู้ฆ่าที่เขาได้ฆ่าก็ตามให้เขาได้ใจ เกิดพยองลาพองเกิดมีความเข้าใจเกิดถงตัวเองว่าเป็นความถูกความควรแล้วก็ขาได้ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับเรามีสูตรรวบอยู่เบื้องหลังแต่การคิดตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าตัวเจตนาเนี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าทรงแสดงว่าเจตนาเป็นกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรม บุคคลจงใจคือเจตนาแล้วพูดเจตนาแล้วทําเจตนาเกิดมาจากเจตนาคือความคิดเพื่อการละเมิดศีลจึงอยู่ที่เจตนาการฆ่าสัตว์ทันียกวัตกะเจตนาคือเจตนาฆ่าทัรักทรัพทันใดกว่าเทยะเจตนาเจตนาลักถามมเจตนาอย่างอื่นล่ะเจตนาอย่างอื่นไม่เป็นบาต ท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพื่อให้มองกลับไปถึงวิธีชีวิตเราที่มันเกี่ยวข้องกับการล้มหายตายจากไปมากมายแก่กองในแต่ละวันจนบางครั้งบางคราวเราก็มีการพูดกันว่าถ้าคนไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่มีการฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นคนที่กินเนื้อสัตว์ก็แสดงมาส่งเสริมสนับสนุนการฆ่าสัตว์เมื่เราเห็นว่าจุด ต, ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันกับที่กล่าวแล้ว เพราะเจตนากินไม่ใช่เจตนาฆ่าคนฆ่าก็คือคนฆ่าคนกินก็คือคนกินมันแยกออกจ า, า, ากกันภาษากฎหมายก็เรียกไกลมูลกรณีรเพราะแคิดเพ้อเจ้ออย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องอยู่แล้วในโลกนี้เพราะแต่ละส่วนจะมีการส่งเสริมการต้านเราเสียภาษีออกไปก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้ออาวุธปราบโจร อาวุธ้ายทําสงครามใช้ฆ่าศัตรูมีส่วนในการให้มีโรคฆ่าสัตว์ขึ้นมาไปฆ่าสัตว์โดยคิดอย่างนั้นก็ประสาทเขาไม่ได้คิดไกลอย่างนั้นเขาคิดเฉพาะตัวเจตนาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราถือว่ามีส่วนเช่นเราขายทรายทรายเอาไปสร้างถนนถนนรถวิ่งแล้วคนตายเราก็ต้องบาปโดยเลยยุ่งตายเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาเาเฉพาะตัวที่เราเจตนาด้วย เจตนาจึงถือว่าเป็นตัวหลักที่ตัวสร้างกระแสกันดังนั้นพอไปถึงจุดหนึ่งพอใจเขามีหลักแล้วเป็นใจที่ตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ในกระแสธรรมะเช่นว่าเมตตาหรือกรุณาหรืออะไรก็ตามตรงนี้ที่จึงสายตรงนี้ท่านเรียกว่าเมตตาเมตตาคืออัโทสะอัโทสะก็คือไม่ประทุษร้าย หมายความมาไม่ประทุษร้ายด้วยตัวเองไม่ประทุษร้ายดยการใช้บุคคลอื่นมาประทุษร้ายและส่งสัญญาณให้คนอื่นประทุษร้ายตลอดถึงไม่มีการผู้การกระทําเป็นการส่งเสริมเจตนาส่งเสริมไม่เกิดการประทุษร้ายซึ่งตรงนี้ท่างสายชนต่างหลายใช้ว่าบางครั้งนี่ต้องแยกทหารไปราชการทัพ ข้าแถวเดินพระประพรมน้ําพุทธมนต์ถ้าถามว่าไปส่งเสริมหรือเปล่าตรงนี้นก็อยู่ที่การคิดเพราในขณะที่พระประพรมน้ําพระพุทธมนต์นั้นท่านคิดอะไรท่านคิดยังไงแนะนอนท่านก็คิดเพื่อให้คนเหล่าเนี้ปราศจากเปรตปราศจากไฟปราศจากอันตราย แต่ไม่ได้คิดว่าเธอจะต้องไปฆ่าศัตรูฆ่าให้ตายให้หมดได้เรา ช, ชนะหรือต่คิดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าคิดเพื่อให้ปลอดเวรปลอ ด, ลอดภัยคิดด้วยเมตตาเพราะตรงนี้จึงไม่มีปัญหาแต่ว่าประเด็นสำคัญ อ, อยู่ที่การคิดกลางถันเนื่องจากตัวกรรมเป็นตัวเจตนาทันที่กาแล้วรู้เห็นว่าพอเมตตาเป็นฐานเน่ยมันเกิดคุ้มครองลมปราณ คุ้มครองปลาทั้งหลายคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันเกิดการคุ้มครองขึ้นมาหมายความว่าลมหายใจเข้าออกได้รับการคุ้มครองว่าจะไม่ถูกทาลายล้างอย่างน้อยจากท่านผู้นั้นเราเห็นว่าตรงนี้มันเกิดเป็นความสงบเป็นความเย็น ถามว่ามีความรักมีความอบอุ่นมีความปลอดภัยมีที่พึ่งพำนักอาศัยสามารถ พ, พรักผ่อนย่อนใจได้โดยปกติสุขหรือไม่ก็บอกว่าได้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันมาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสุบต่อไป